สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสังสรรค์สนทนาค่ะ อ่าเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่พระศาสดาสอนเนี่ยนะๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละ เพื่อที่จะทําให้ผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทําบุญของคน แล้วก็หันมาหาทางสายกลางแล้วก็มาถึงจุดในการปฏิบัติตามทางสายกลางค่ะสำหรับตอนนี้เราไปพบกับ อ่ะทำจิตนะทางสายกลางนะโดยแบ่งความคิดของพระองค์เนี่ยเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกับอกุศลนะส่วนที่เป็นอกุศล เนี่ยเพียงแต่ว่ากายมันจะมีความเอ่อเมื่อยล้าก็จะมี <Okay. S 1> เราพระอนุุทธะทั้งหลายนะคืออนุุทธะนี่ 3 รูปอยู่ด้วยกันนะเล่าถึงพระ นะแสงสว่างการเห็นรูปนี้ถ้าเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเรารู้ลมหายใจนั้นลมหายใจนี้คือรูปและบางที นั่นเลยลมหายใจเป็นต้นพระศาสดาตอนนั้นก็ปรากฏว่าก็ได้อย่างนี้เหมือนกันนั้นพอเข้าสมาธิลึกขึ้นไปก็มีแสงสว่าง <Okay. S 1> นะรูปหายสว่างหายรูปหายอ้าวอะไรเป็นเหตุเป็นความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเกิดลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเกิดขึ้นในใจปั๊บนะสมาธิเคลื่อนนะ <Okay. S 1> ชีพไหว้ฉันจะได้มั้ยฉันจะไม่ได้ฉันหรือเปล่าหยุดๆๆๆไม่ให้เกิดขึ้นนะพอไม่ให้เกิดขึ้นปุ๊บสมาธิกลับมาพอสมาธิกลับมาปุ๊บ นะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่ใส่ใจนะหรือความไม่ทํา นะสมาธิเกิดปุ๊บใจก็ดีขึ้นมาอีกนะพอใจ นะ, <ใช> 3 น่ะนี้นะก็มาดูว่าเอ๊ะชั้นว่า<ม> แต่กับบริษัทอาจจะไม่ถึงดีกรีกันน่ะว่าขี้เกียจขี้คล้านแต่ในใจเนี่ยมันมีความเคลมมีความง่วงงุนอยู่นะซึ่ง<ใช> เอ่อเสียมรับที่ 4 ทํายังไงเอ๊ะเราว่าเราไม่มีความคุ้งง่วงนอนไม่มีความ นะเหมือนเดินอยู่แล้วครับขับรถไปในถนน 16 ก็จะมาทําร้ายเราโหยเราจะตก นะอันนั้นทําเสียงตรงนี้เป็นเสียงนี่เป็นเสียงผีเสียง น้ําไปได้อีกสักหน่อยคุณโยมติ๋วสมาธิเสื่อมอีกเป็นรอบที่<ใช> 5 นะรอบที่ 5 เอามันเสื่อมแล้วทําไมนี่สงสัยก็ไม่มีมีความมั่นใจทําไมมันยังเสื่อมอีกนําพิจารณาไป ในสมบัตินี้เจอเนี่ยเจอคุ้มสมบัติตั้ง 6 คุ้มแหละเจอคุ้มสมบัติ 6 คุ้มนี่โอ๊ยดีใจอย่างมากนะคือตื่นเต้นเกินไปนะเพราะความตื่นเต้นเกินไปสมาธิก็เลยเคลื่อนพอสมาธิเคลื่อนแสง<อ> เอาทำความเพียรมีก็ใช้เด็ดเดียวตั้งมั่นไว้สมาธิขึ้นมาละ 6 ก็มั้งแล้วก็ปรากฏ นึกบางทีเราตื่นเต้นเราเจอของดีใช่มั้ยตื่นเต้นปุ๊บเราเราก็เหมือนกับว่ามี อีกไม่นานไม่นานสมาธิเสื่อมไปอีกเดี๋ยวเสื่อมไปอีกตอนสงสัยไม่มีเลยค่ะก็เลยมาดูมือ 2 <Okay. S 1> มือ <Okay. S 1> นะก็เลยทํายังไงล่ะทีนี้ปรับจิตใหม่ตั้งจิตใหม่นํา ในความเพียรย่อหย่อนเกินไปก็เปรียบเทียบตรงกันข้ามนะเหมือนคนจับบุรุษด้วยมือเอ่อหมายว่าบุรุษ นานี้เจอกันมากเลยคนที่มาบริวาทธรรมที่ที่วัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยากอ่าทําสมาธิเกิดเนี่ยแม่งมัน หมายหมายถึงสิพูดแบบพูดมา 11 อย่างตรงนี้ตัวนี้นะ นะ 3 คืออันที่เคลมง่วงนอน 4 <Okay. S 1> คือความ 5 คืออันที่ 6 คืออันที่ 7 คือความเพียร 8 คือความเพียรที่ย่อหย่อน 9 คือ 10 <Okay. S 1> คือการใส่ 11 คือ <Okay. S 1> 11 อย่าง 11 วาระอย เนี่ยเหมือนโรเลอร์โคสเตอร์อย่างนี้ค่ะพยายามแก้ค่ะค่ะค่ะเวลาใกล้จบหมดจริงๆยังไม่ไปถึงตอนที่ตรัสรู้ วันจันทร์ดีมั้ยคะจะได้ลืมที่จะมากราบเรียนถามท่านไตรบุญๆแล้วนะเพราะว่าอยอยอยอย 11 อย่างนี่ค่ะท่านผู้ฟังที่ <c oughs> และเราก็มนัสกันนะคะเจอกัน <ๆ. S 1>